ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ส1มุยเพูดเกร็ดความรู้ไม่ต้องถือเป็นสำคัญแต่ว่าประดับความรู้ เ, เกรดความรู้ก็เป็นเรื่องประดับความรู้ไหนไหนพูดถึงเรื่องศีลแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องปรกย่อยละเอียดลงไปหน่อยแต่ว่าไม่จาเป็นต้องจดจำอะไร ที่บอกว่าในายศิขานข้อที่หนึ่งศีลเป็นการฝึกพฤติกรรมกายวาจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมบ้างทางวัตถุเช่นปัจจัยสี่บ้างนี่เราลองมาดูตัวอย่างก็ในศีลของพระเนี่ยคือศีลเ น, นี่ยเวลาพูดชาวบ้านมักจะไปนึกถึงศีลห้า ศีลเ น, นี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมที่ว่าจะให้มนุษย์อยู่ไม่เบียดเบียนกันซึ่งที่จริงก็เรียกว่าศีกขาบทหนะ้ทีนี้มาดูศีลของพระหรือที่จริงก็คือวินัยของพระแล้วก็โยงมหาศีลด้วยนั่นแหละจะได้เห็นชัดขึ้นว่าอ๋อมันไม่ใช่เฉพาะในด้านสังคมอย่างเดียวดูวินัยของพระนี่ถ้าจัดเป็นสี่หมวด ศีลของพระซึ่งปฏิบัติตามวินัยเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยอนนี้ว่าเยอะแยะนี่ยมันก็ต้องมีหลักการจัดเพื่อจะให้สะดวกในการเล่าเรียนศึกษาและจดจำวันนี้จัดได้ทั้งสี่ประเภทด้วยกั น, นสี่ประเภทมีอะไรบ้างาหนึ่งท่าเรียกว่า ปาติโมกขสังวรศี น, นชื่อนี่แหละบอกว่าเป็นเกรดความรู้จํายากก็เลยก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องจําปาติโมกขสังวรศีนปาติโมกก็ได้ยินกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สังวรแล้วก็ศีนก็ไม่ถึงกับยากอะไรมาปาติโมกคำหนึ่งแล้วก็สังวรคําแล้วก็ศีนคำหนึง่ง แ, แปลว่าศีลคือความสํารวมในปาติโมกปาติโมกก็ อะไรล่ะปาติโมก็อย่างที่เราไปวัดพระพิเรนแล้วก็ไปฟังสวดใช่ไหก็คือศีลแม่บทหรือที่จริงก็คือวิไนแม่บทได้แก่ประมวลสิกขาบทของพระ227ข้อแต่เราเรียกกันว่าศีล227ชื่อจริงก็คือสิกขาบท227 ก็มีข้อฝึกอยู่227ข้ออันนี้เป็นวินัยแม่บทของพระภิกษุถ้าไปของภิกษุณีก็มี311ข้อเอาเฉพาะของพระภิกษุเนี่ย227ข้อเนี่ยรวมกันเรียกทั้งหมดเรียกว่าปาฏิมโมกข์ก็เป็นวินัยแม่บทเป็นบทใหญ่สำหรับควบคุมความประพฤติของพระภิกษุ ที่มาอยู่รวมกันเนี่ยให้อยู่ในหลักความประพฤติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็คำว่าปาฏิโมงเนี่ยแปลว่าเป็นแม่บทนั่นแหละแปล ง, ง่ายๆกับแม่บทอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นประธานหรือเป็นประมุขนี่ก็เป็นหลักใหญ่แต่ที่นี่นอกจาก227้อี่ข้อที่เรียกว่าปาฏิโมงนี้ก็ยังมีอื่นอีกนี่ไปประเภทที่สอง ฉันเรียกว่าอินเสียสองวอลสีน่ะอินเสียสังวศอลสีสคือความสำรวมอินทรีย์เมื่อกี้นี้สรวมในปาฏิโมกแม่บทมีสองยี่สิบเจ็ดข้อก็ว่าไปทีนี้ประเภทที่สองนี่คือความสรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลินกายและใจของเราว่าเวลารับรู้ด้วยตาได้หูคือได้เห็นได้ยินเป็นต้นแล้วเนี่ย ให้มีสติกำกับไม่ปล่อยให้อกุศลเข้ามาครอบงำนี่อกุศลก็ความยิตดียิตร้ายหรือ ว, ว่าโลภะโทสะโมหะก็ตามมาให้ความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาครอบงําจิตใจแต่ว่าให้มีสติกำกับก็ทําให้มีปัญญา รับรู้ก็ได้ความรู้ว่าเออนี่มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรทําไมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรอย่างที่เคยพูดไป น, นะนะฮะก็คือการใช้ตาดูหูฟังให้เป็นเป็นต้นนะนะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วแต่ตอนนี้เรามารู้จักกันตัวหลักกันสองแล้วนะฮะทีนี้ก็ต่อไปหมวดที่สามหมวดที่สามท่าเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิ์ทิศศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะคือการเลี้ยงชีพ พระภิกษุนี่ก็เลี้ยงชีพเหมือนกันเออเดี๋ยวจะว่าไอา้ก็พระภิกษุไม่เห็นประกอบอาชีพเลยทําไมบอกมีอาชีพเดลลี๋ยนะอาชีพเนี่ยทีนี้ก็หมายถึงว่าทางที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเครื่องยังชีพอะพระภิกษุมไม่ฉันข้าว อ, าอยู่ได้ไงใช่ไหมนอกจากฉันข้าวแล้วยังต้องมีปัจจัยสี่มีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยังชีพเท่านั้นแหละทีนี้ เครื่องอย่างชีพเราเนี้ยได้มาอย่างไรสำหรับพระภิกษุนั้นไม่ไปไประกอบพวกอาชีพอย่างชาวบ้านคือการทามาหากินแต่ว่าพระภิกษุก็มีอาชีพของตนเองก็คือการที่ว่าดำรงตนอยู่ในหลักปฏิบัติของตนทำหน้าที่ของตนประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนตามหลักใยสิกขาพัฒนาตนอยู่เสมอนี่แหละก็ เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมไปด้วยในตัวเองใช่ไหมอา้าวหน้าที่นี้เราสําคัญที่สุดอาชีพอะไรจะมาสําคัญถ่าอาชีพนี้ใช่ไหมเนี่ยพระภิกษุนี่ทําหน้าที่ต่อสังคมมากอาชีพของชาวบ้านเขายังเป็นอาชีพประเภทดหากินเลี้ยงตัวเองอะแต่ว่าอาชีพของเขานั้นที่จริงแต่ละอาชีพน่ยมันเป็นหน้าที่ต่อสังคมไปด้วยนะเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพนี้มีขึ้นเพื่ออะไร น่าเป็นเครื่องช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาชีวิตและแก้ปัญหาสังคมอย่างเราเห็นได้ไง่ายๆอาชีพแพทย์นี่ใช่ไหมฮะอาชีพแพทย์คนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแพทย์ก็แย่สิอาชีพการรักษาพยาบาลนี่ก็จําเป็นเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายเจ็บป่วยอันนี้ตัวอาชีพนั้นนะ่ะเกิดจากการงานที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์แต่ที่นี้ว่า คนแต่ละคนนั้นก็เอาการงานเนี้ยมาใช้เป็นเครื่องมือหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตตนเองอันนี้ถ้ามองไม่เข้าใจนี่มองด้านเดียวก็มองเพีย ง, เ, ยงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพให้กับตนเองไปแต่ที่จริงนั้นมันเป็นการทําหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมเนีนี่ถ้ามองด้านเดียวงี้จะเกิดปัญหาเวลานี้มนุษย์เรามักจะมองด้านเดียวมองด้านที่ว่าเออเราประกอบอาชีพก็หาเงินหาทองให้เราทําไงเราจะได้มากที่สุด ไม่ได้มองว่าความมุ่งหมายพื้นฐานที่แท้จริงของอาชีพนั้นมันเกิดมีขึ้นเพื่อจะทําหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์สังคมช่วยเหลือเกื้อกูลนะเป็นแพทย์ทําอาชีพหมอก็จะได้รักษาคนไข้ทําให้เขาหายเจ็บป่วยนีเป็นการทําหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเสร็จแล้วอ้าวเราไปเราเองเราจะไปมุด ช่วยเหลือคนอื่นทำอาชีพนั้นทำหน้าที่นั้ น, นนะแล้วเสร็จแล้วเราจะอยู่ได้ไงล่ะคนเราก็ต้องมีกินใช่อันนั้นมันก็เลยสังคมนี้ก็วางระบบแบบแผนมาให้แต่ละคนนี้ไม่ได้ไปห่วงกงังวลไม่ต้องไปโมกงังวลกับการเป็นอยู่นะเมื่อท่านทำหน้าที่นี้แล้วท่านช่วยเหลือสังคมแล้วสังคมก็ตอบแทนท่านให้ท่านมีอาหารมีปัจจัยสี่มีเครื่องอานวยความสะดวกให้ท่านอยู่ได้ได้ดีนะก็ให้เครื่องตอบแทนมา เพราะนั่นก็อาชีพต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ได้เงินได้ทองมาทีนี้ต่อมามนุษย์เนี่ยอย่างที่ว่าแหละหลงสมมติแทนที่จะไปมองไอ้ตัวผลที่แท้จริงของตัวหน้าที่การงานซึ่งเป็นเหตุว่าการแพทย์เป็นเหตุทําให้คนไข้หายโรคเป็นผลนั้นใช่ไหมอันนั้นคือว่าเหตุผลตรงตามธรรมชาติกลับมามองการแพทย์เป็นเหตุได้เงินเป็นผล อย่างที่ว่านี่แหละมนุษย์ก็เลยไม่ไม่รู้เท่าทาันความจริงของธรรมะก็เลยมาติดอยู่กับสมมติที่ว่าวางขึ้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยการที่ไปพ่วงอยู่กับหน้าที่การงานที่เป็นการทําประโยชน์แก่มนุษย์หรือสังคมเอาละครับตกลงว่าเนี่ยแม้แต่อาชีพชาวบ้านเองเนี่ยที่แท้จริงมันก็เป็นการทําประโยช น, น์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหามนุษย์และสังคม แล้วกัตัวเองก็ได้อาหารได้ปัจจัยสีได้เงินทองมาเลี้ยงชีพทีนี้สําหรับพระภิกษุนั้นหน้าที่สําคัญเลยเพราะรักษาตัวธรรมะไว้ให้แก่สังคมใช่ไหมแล้ว ก, ก็รักษาด้วยการที่ทรงจําสืบต่อตัวธรรมะนั้นไว้ก็ตามหรือว่ารักษาด้วยการที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเลยเมื่อตัวเองประพฤติเป็นแบบอย่างธรรมะมาอยู่ที่ตัวเองแล้วน่ะธรรมะนี้ก็จะได้ เป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นแล้วเห็นว่าเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์โอธรรมะนี่มีที่ผู้ใดนะ่ะชีวิตผู้นั้นก็ดีงามเป็นชีวิตที่มีความดีงามช่วยให้โลกมีสันติสุขอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระนี่ก็สำคัญมากที่จะดำรงไว้ซึ่งสันติสุขในสังคมมนุษย์นะ่ะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นหน้าที่รักษาสืบต่อธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะ แล้วก็รักษาไว้แล้วก็ยังเผื่อแผ่ขยายสั่งสอนไปอีกอ น, นั้นอย่างนี้สังคมก็ต้องตอบแทนสิใช่ไหมฮะะนั้นหน้าที่ของพระนี่ทำแล้วก็เป็นทางของอาชีวะทาให้พระนี่ได้อาชีพได้อาหารเป็นต้นปัจจัยสี่เครื่องอย่างชีพชาวบ้านเขาก็เห็นว่าพระนี่ทำประโยชน์กับสังคมรักษาธรรมไว้ให้สังคมจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีธรรมะเป็นไปไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายหมด อันนั้นก็เห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์เห็นคุณความดีของท่านและลึกถึงคุณของท่านก็ตอบแทนด้วยการมีศรัทธาเนี่ยเลื่อมใสในท่านแล้วก็ถวายปัจจัยสี่พระก็ไม่เรียกร้องก็เป็นอยู่ง่ายๆนถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ไปขออะไรเลยก็ขอก็เป็นเพียงว่าถือบาดไปเนี่ยเขาจะถวายก็เรื่องของเขาจะไปออกปากขอไม่ได้ อย่างนี้เป็นตนถ้าไปออกปากขอเขาก็มีความผิดนั้นพระก็ต้องดํารงอยู่ในอาชีพที่บริสุทธิ์ของตนเองเนี่ยนีถ้าเรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์สิ้ก็คือว่าด้วยการที่ตนเองประพฤติปฏิบัติธรรมหนะ้าที่รักษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วประชาชนเขา <c oughs> เห็นคุณค่าเขาถาวายพระตาหารให้เป็นอยู่เรียกว่าอาชีพบริสุทธิ์นะแต่ถ้าหาว่าพระไปเกิดหากิกน หาทางหาลาบเนี่ยนอกหนวยจากการทำนาทีรักษาธรรมผิดทันทีเลยไปถึงอ่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะฮะบอกว่าพระภิกษุไปออกปากขออาหารกับผู้มิใช่ญาติไม่ใช่ปรณานา่ขออาหารมาเพื่อตนโดยไม่ได้เจ็บคคาได้ป่วยนี่ต้องอาบัตแหละมีความผิดเลยใช่ไหมเรื่องขอในโ พ, พุทธเจ้า ระวังมากไงโดยปกติก็ขอได้เฉพาะญาติกับปรวรณาคือผู้ที่เขาบอกไว้ว่าให้ขอเขาอันนี้จะไปแสวงหาลาภผิดจากนี้จะไปน่ะหลอกลวงเขาน่ะอันนี้แน่นอนว่ามีความผิดมากพระบางองค์ก็ไปหลอกลวงเขาหาเงินหาทองบางองค์ก็ไปใช้ลาภต่อลาภให้น้อยเพื่อได้มากน่ะ บางองค์ก็อาจจะไปใช้วิธีเรียบเคียงนะผูดจารียบเคียงทําให้เขาให้นะหรือไปประจบประแจงอะไรต่างผิดหมดแหละเป็นท่านเรียกว่ามิจฉาชีพนะฮะหรือไปประกอบอาชีพอย่างแม้แต่ว่าไปเป็นหมอยานี่เป็นประกอบเพื่ออาชีพนะฮะก็เป็นความผิดเพราะฉะนั้นพระนี่ต้องระวังมากก็ไปอ่านว่าทําอะไรก็ตามประกอบเป็นอาชีพอย่างชาวบ้านแล้วก็ผิดหมดท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพ ถ้าผู้ที่อบอกเรารู้ชื่อยาสมุนไพรานช่วยเองนี่นะเอ้าไอ้นินเราไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพนะนี่เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์กันใช่ไหมแต่ว่าโบราณนิท่านระวังมากท่านจะบัญญัติจุกจิกในเรื่องเราเนี้ยแม้แต่ว่าพลาดนิดพลาดหน่อยไม่ได้นะคือให้พระระวังตัวเต็มที่เลยแต่หลักการก็คือว่าไม่ไปทําเป็นอาชีพเข้าใจใช่ไหมหาเงินหาทองนะ เอานะครับอันนี้ก็เรื่องอาชีวะบริสุทธิ์ศีลเกี่ยวกับเรื่องอาชีวะให้บริสุทธิ์ต่อไปข้อสุดท้ายก็ปัจจัยสันนิษฐ์ศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ก็คือว่าเอาแม้แต่ได้อาหารมาโดยถูกต้องแล้วก็มีปัจจัยนะฮะปัจจัยที่เรารู้กันอยู่แล้วก็สันนิษฐ์สันนิษิแ์แปลว่าเกี่ยวข้องหรืออิงอาศัยแล้วก็ศีล สีนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสีนี่ก็ขนาดว่าได้ปัจจัยสีมาถูกต้องแล้วนะอาชีพกับบริสุทธิ์แล้วเวลาจะฉันเอาอีกแล้วเวลาจะฉันให้ฉันได้ปัญญาฉันเพื่อสนองความมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของมันไหมนะแต่าหากว่าฉันโดยมัวเมาลุ่มหลงเห็นแก่อร็ตอร่อย ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงว่าเช่นอาหารนี้เพื่อประโยชน์แก่การดำรงรักษา ร, ร่างกายจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราประพฤติพรหมจรรย์ให้เราทำประโยชน์ใช้ชีวิตนี้ใช้ร่างกายนี้ไปบำเพ็ญศาสา ก, กิจเลยเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็โมเมาลุ่มหลงเพลิพเดเพลินหวังแต่จะอริอร่อยเนี่ยก็จะทำให้ไม่สันโดษ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีสีนี่คอกอีกหมวดหนึ่งเลยนะเรียกว่าปัจจัยสันนิษฐ์สีสีที่เกี่ยวกับปัจจัยสเพราะฉะนั้นจึงฝึกกันมาแต่โบราณว่าพระนี่เวลาบวชข้ามาแล้วฉันจะต้องพิจารณาปัจจัยสฉันได้พิจารณาที่เรียกว่าปฏิสังขายโยปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิบทปฏิสังขายโยก็เป็นบทพิจารณาปัจจัยสี่เริ่มตั้งแต่อาหาร ว่าปฏิสังขายโยนิสโสปินตาบาตตังปฏิเสวามิเป็นต้นบอกว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันอาหารปินตาบาทนี้ว่าไม่ใช่ฉันเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินลุ่มหลงมั ว, มวเมาโกเกประดับประดาอะไรต่างๆแต่ว่าฉันเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ชีวิตเป็นไปเพื่อจะได้เกื้อหนุนกับการประพฤติความดีงามหรือว่า มีชีวิตที่ประเสริฐเพื่อจเจริญในไตรสิกขาเพื่อจะได้อยู่ภ้าสุขไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยฉันต้องสนองคุณค่าที่แท้จริงฉันด้วยปัญญาพิจารณาไม่ใช่รุ่มหลงเพลิดเพลิน ม, มัวเมาก็แปลว่าถ้าฉันได้พิจารณางี้ก็ถูกต้องมีศีลข้อนี้ถ้าฉันโดยไม่พิจารณาก็เป็นอันว่าขาดศีลข้อนี้ไป นี่โบราณก็ถือมากบอกว่าถ้าหากว่าฉันโดยไม่พิจารณาปัจจัยสี่ฉันได้รุ่มหลงโมเมานี่ท่านเรียกว่าเป็นการฉันอาหารหรือใช้ปัจจัยสี่อย่างเป็นหนี้เอางั้นเหรเป็นหนี้ชาวบ้านเพราะประชาบ้านเขาถวายมาด้วยศรัทธานี่นพระเป็นผู้รักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแต่พระมาบกพร่องใช้ปัจจัยสี่เขานี่ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายน่ยไม่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์ ตามคุณค่าที่แท้จริงกับใช้พระลุ่มหลงมัวเมาแสดงว่าพระนี่ใช้ปัจจัยสี่ผิดวัตถุประสงค์นะก็ใช้อย่างเป็นหนี้ชาวบ้านถ้เป็นหนี้โบราณก็เลยบอกว่ า, าพระที่ฉันอาหารไม่พิจารณานี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นควายให้ชาวบ้านใช่ว่างั้นนี่โบราณว่าแรงนะว่ากันมานานนะชาวบ้านรุ่นเก่าเรารู้เลยพระนี่ฉันอาหาร ฉันปัจจัยสี่ไม่พิจารณาตายไปแล้วไปเกิดเป็นควายให้ชาวบ้านเขาต้องเอาไปไถ น, นาว่างั้นเนี่ยฉนั้นก็เลยถือเป็นคติมาการถือคติแบบนี้ก็เพื่อจะได้เอามาพูดสำทับพระนั่นเองใช่ไหมเพื่อจะได้เห็นความสําคัญแล้วก็ตั้งใจก็ครบแล้วนะทําไอ้ศีลสีส่ประเภทสี่ประเภทสําหรับพระภิกษุ นี่ประเภทนี้เอาลองดูสิครับว่าอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคมอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านวัตถุปัจจัยเพราะแบกบอกแล้วนี่ครับวศีนี่เป็นการฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมฝ่ายหนึ่งแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุของใช้สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆทั่วไป ลองดูสิครับในสี่ประเภทเนี่ยอันไหนมันเกี่ยวข้องกับสังคมอันไหนมันเกี่ยวข้องกับวัตถุปัจจัยนีย่เอ่ยไปเกี่ยวอะไรอ๋ออะรปติโมกข์สังวรนะเกี่ยวข้องกับสังัเกี่ยวข้องังปอ่าเกี่ยวข้องทั้งวัตถุและสังคมปฏิโมกข์สังวรนี่เป็นศีลแม่บทนะครับมันก็เลยคลุม เอาข้อสําคัญสําคัญมารวมหมด227ข้อนะฮะแต่ว่าในที่นี้จะเห็นว่าโอศีลของพระนี่ไม่ใช่มีก็227ข้อนะเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะเดี๋ยวใครจะบอกว่าโอ้พระมีศีลแต่ที่จริงต้องเรียกสึกขาบทอะพระนี่มีศึกขาบท227ข้อไม่จริงหรอกนะความจริงเยอะกว่า น, นั้นเป็นพันพข้อเลยนะะเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านพูดหรือแม้พระพูดเองก็ยังไม่ถูก มักจะถามก็พระมีศีลกี่ข้อนแล้วก็ตอบมีสองยใช่ไหมนี่มันเป็นการเอาเฉพาะในปาติโมกศีลแม่บทความจริงนั้นสี่หมวดนี่เยอะเลยในพระไตรปิฎกนี่ครับนอกจากปาติโมกเรามีอีกเป็นพันๆเลยท่านเรียกว่าสิกขาบทนอกปาติโมกมากมายอ้าวจากนี้เราก็หนึ่งาปาติโมกกับสังวรศีลนี่ มีทั้งที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็มีทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุหรือทางกายภาพเช่นปัจจัยสี่ต่อไปอินเซียสังวรนี่แหละครับเป็นประเภทไหนเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสังคมก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวเองแต่ว่าและมันมันเรื่องอาการไอระวังนันเป็นเรื่องอาการแสดงออกแต่ว่าไอตัว ตาดูหูฟังมันไปดูวัตถุดาวดูเห็นแล้วยังไงจะมีสติไม่เกิดกิเลสครอบงำตัวเองใช่ดูคนมันก็ไม่ใช่มองในแง่ความสัมพันธ์กับคนนะไม่ใช่ไปทำอะไรเขาเลยใช่เพราะฉะนั้นมันจะเข้าในอันไหนสภาพแวนล้อมไม่จะเรียกปัจจัยมันแคบไปใช่ปัจจัยหมายความ ถ้าใช้ศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางกายภาพก็หมายความมาทางด้านที่เกี่ยวกับด้านร่างกายที่ไปสัมพันธ์ทั่วไปไม่ได้เป็นเรื่องขอ ง, ของความสัมพันธ์ในทางสังคมก็แล้วกันกว้างมากแม้แต่ต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเราไปเกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเนี้เพราะฉะนั้นอินทรีย์สังบอดเนี่ยมันจะไปทางด้าน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพใช่ไหมะแล้วทีนี้ปัจจัยสันนิษิ์ล่ะจะกายภาพชัดเจนเลยอันนี้ใช่ส่วนอาชีวะปริสุท ธ, ธิศีลนั้นเกี่ยวข้องกับสังคมใชม่เพราะเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลี้ยงชีพก็คือว่าทำหน้าที่ต่อผู้อื่นอย่างไรทำงานให้เขาอย่างไร แล้วก็เขาให้ผลตอบแทนยังไงหาเงินได้จะเขาเขาให้เงินแกนเราเขาให้ปัจจัยสี่แกเราใช่ไหมอาชีวะก็เป็นเรื่องเกี่ยวด้านสังคมเนี่ยใกล้เห็นได้เลยว่าสีของพระมีสี่ประเภทเนี่ยมันก็จะออกไปทางด้านกายภาพกับด้านสังคมนี่เป็นตัวอย่างก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นเกรดความรูอ้อันนี้เกรดความรู้นี่ก็ เป็นอ น, นว่าถือว่าจบไปเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้แต่มันไม่จบโดยสิ้นเชิงมันไปโยงไปหาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะพูดไปด้วยก็คือว่าเพราะเหตุที่ว่าศีลเนี่ยมันเกิดแยกได้เป็นความสัมพันธ์สองด้านด้านกายภาพกับด้านสังคมเนี่ยเวลาแยกการฝึกคนออกให้ละเอียดท่านก็เลยแยกออกเป็นสี่เลยเพื่อจะให้ มันชัดออกไปเลยนะแยกสี่ก็ได้ไตสิกขาเนี่แยกสามใช่ไหมเอาเรื่องพฤติกรรมมารวมเป็นหมวดเดียวนะไม่ว่าพฤติกรรมสัมพันธ์กับกับธาตสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็อยู่ในศีลหมด น, mm hmm. นี้เรื่องจิตใจกับสมาธิเรื่องความรู้เข้าใจปัญญาแต่ทีนี้ว่าบางครั้งท่านต้องการแยกละเอียดซอยศีลนี่ออกไปอีกเพื่อจะแยก การฝึกการพัฒนา พ, พฤติกรรมที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้ก็ไปไว้สัสดส่วนหนึ่งเลยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางสังคมก็ไว้ส่วนหนึ่งเลยแยกข้อสีนี้ออกไปเป็นสองข้อนะอ้าวทีนี้พอแยกเป็นสองข้อแล้วก็นี่ก็เป็นความรู้พิเศษนะเป็นเกรดความรู้แยกยังไงล่ะแยกออกก็แยกข้อหนึ่งนะ ซึ่งเป็นเรื่องจะเรียกว่าพื้นฐานกว่าก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของวัตถุปัจจัยเนี่ยเอาซะก่อนจัดเป็นหมวดหนึ่งเลยเรียกว่ากายเรียกว่ากายะแล้วคำว่าพาคว่าสิกขานท่านไม่ให้สับสนท่านก็เลยสงวนไว้สําหรับใจสิกขาไม่เอาไปใช้ในกรณีนี้ทีนี้จะเอาอะไรมาแทนล่ะ เอาอะไรทแทนสิกขาล่ะไม่อยากเอาสิกขาไปใช้กรณีนี้เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นสิกขาสี่ ย, ยุ่งกันใหญ่นีให้เป็นใจสิกขาเท่าเดิมท่านก็เลยเอาศัพท์อื่นที่มันมีความหมายใช้แทนกันได้กับสิกขามาแทนศัพท์หนึ่งที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าสิกขาคือคําว่าภาวนาเนีฉะ น, นั้นในกรณีกรณีแยกสี่เนี่ยใช้คําว่าภาวนามาแทนภาวนาแปลว่าการฝึกอบรม าการเจริญทำให้เจริญขึ้นหรือคว่าพัฒนาตรงกับคำว่าพัฒนาแต่นี้ภาวนาภาษาไทยเอามาใช้นี่ก็ยุ่งอีกแล้วเป็นความหมายที่คลาดเคลื่อนไปแคบไปนะไม่ถึงกับผิดแต่ว่าแคบไปพอเราใช้คำว่าภาวนานี่ชาวบ้านคนไทยมักจะมองไปที่ว่าอ๋อมุบมิบว่าพึมพึมใช่ไหม กลายเป็นนั่นในภาวนาเนี่ยว่าบทนั้นบทนี้ว่าคาถาก็เรียกเป็นภาวนาใช้เป็นคําไทยรู้กันแล้วแต่ว่ามันความหมายแคบไปภาวนามันไม่ใช่มาท่องบนอย่างนี้ภาวนานั้นแปลว่าทําให้เจริญขึ้นหรือแปลง่ายๆว่าเจริญเลยตรงกับคำว่าพัฒนาแต่ว่าภาวนานี่เป็นศัพท์วิชาการทางธรรมะ เป็นเทคนิคกาเทอมส่วนพัฒนานั้นทางพระนี่เป็นศั์สามัญใช่ไหมมันจุ้งอย่างเงี้ยในภาษาไทยศัพ์สามัญของพระเราเอากลับมาใช้เป็นศัพ์วิชาการพัฒนานี่ในภาษาไทยมาใช้เป็นศับวิชาการมีความหมายต้องให้คําจํากัดความใช่ไหมทีนี้ในภาษาพระนัน่นพัฒนาเป็นศัพท์สามัญศั์วิชาการคือภาวนา ภาวนาก็คือพัฒนาแต่พัฒนาในความหมายพิเศษคือทําให้เจริญงอกงามอย่างดีเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของมนุษย์พูดง่ายๆว่าพัฒนาคนท่านเรียกว่าภาวนาพัฒนาคนนี่จะแยกเป็นด้านไหนก็ตามอยู่ในภาวนาหมดถ้าไปพัฒนาเฉยๆนี่มันอาจจะใช้กับอะไรก็ได้ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นกองขยะ กองขยะพัฒนาหมายความว่าคนไปทิ้งมากกองมันโตขึ้นเลยว่ากองขยะพัฒนาใช่ไหมนี่ดังนั้นพัฒนานี่เอาแน่มาได้ร่างกายของเราโตขึ้นก็นเรียกว่าพัฒนาใช้ได้ทั้งดีทั้งร้ายดังนั้นสัพทพัฒนาในภาษาพระนี่เป็นศัพท์สามัญไม่ใช่เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายแต่ว่าถ้าเป็นภาวนานแล้วหมายถึงการพัฒนาในเรื่องของมนุษย์พัฒนาตัวคน ทีนี้ก็ในกรณีนี้ท่านจะใช้คําว่าภาวนามาแทนศิกขาอา้าวสีลศิกขาเรื่องศีลนี้ก็เลยแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็เอาคําว่ากายไปใส่แล้วก็เติมคําว่าภาวนาก็เป็นกายยภาวนานะฮะเอาละครับภาวกายยภาวนาแปลว่าพัฒนากายหรือพัฒนาด้านกายพัฒนาด้านกายดีกว่าพัฒนากายมันมองไปว่าทําให้ร่างกายโต แต่ไหมพัฒนาด้านกายต่อไปสองก็คงคำว่าศีลไว้หมายความว่าศีลนี่แหละแยกเอาส่วนหนึ่งไปเป็นกายภาวนาและส่วนที่เหลือก็เรียกศีลภาวนานะอา้าวศีลภาวนาตกลงคําว่าศีลยังอยู่ไปเป็นศีลภาวนาถ้าไปเจอคําว่าศีลภาวนากระศีลที่เป็นสิกข า, น, านี่จะต้องรู้เลยว่าออความหมายไม่เท่ากันนะ ว, ว่าถ้าเป็นในสิก ข, ขานี่มันจะคลุมไปถึงกายภาวนาด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นศีลภาวนานี่มันแค่ส่วนสังคมเนี่ยมันยุ่งอย่างเงี้ยเอาแล้วนะครับเป็นอนว่าได้ความนะเป็นอนว่าในสิก ข, ขาสามข้อที่หนึ่งคือศีลไปแยกละเอียดออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมในด้านนี้พัฒนาขึ้นไปเรียกว่ากายภาวนาแล้วส่วนที่2ก็เรื่องพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมยังคงใช้คําว่าศีลอยู่ตามเดิมแล้วเติมภาวนาเข้าไปเป็นศีลภาวนานะฮะส่วนข้อที่สคงไว้ตามเดิมไม่แยกละเอียดอีกเพราะฉะนั้นอัน ท, ที่สก็เรียกกิตจภาวนานะฮะ กิตตภาวนาพัฒนาจิตใจตรงสับเลยแล้วข้อที่สก็เรียกปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญานะครบแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทวนไะอีกทีหนึ่งเป็นอันว่าใจศกขาที่มีสามอย่างนั้นถ้าแยกให้ละเอียดออกไปนะโดยซอยข้อศีลออกเป็นสองก็จะเป็นภาวนาสี่ แปลว่าการพัฒนาสด้านของตัวคนก็คือหนึ่งกายภาวนาพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพนะเช่นปัจจัยสี่เป็นต้นนะและอินทรียสังวรการดูการเห็นการใช้ตาหูเป็นต้นเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วแล้วก็สองก็สีรภาวนาพัฒนา พฤติกรรมที่สะพานกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่เพื่อนมนุษย์ว่าจะอยู่กันยังไงไม่ขาบฟันกันไม่รักทรัพย์กันไม่ละเมิดคู่ครองกันนะไม่พูดปดพูดเท็กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ขู่คุกคามความปลอดภัยของเขาด้วยการดื่มสุราไม่ไรนะนี่คือีและภาวนาต่อไปก็จิตภาวนาพัฒนาจิตใจทาให้จิตใ จ, จเจริญงอก ง, งามด้วยคุณธรรม มีจิตใจเข้มแข็งมีสมาธิมีความสุขอะไรนี่นะจิตภาวนาแล้วก็4ี่ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาทำปัญญาความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายให้เจริญงอกงามรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายที่รู้เห็นตามเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลของมันรู้จักวิเคราะห์แยกแยะรู้จักเชื่อมโยงรู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหารู้จักสร้างสรรค์อะไรต่างๆรู้โลก ชีวิตเข้าถึงความจริงของสังขารนะจกนกระทั่งทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ครบแล้วนะครับแปลว่าภาวนาสี่ก็จบเลยได้ธรรมะอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าภาวนาสี่ น, นี่ภาวนาสี่นี่ก็เท่ากับพัฒนาทั้งคนแล้วทีนี้นะเาว่าสี่ด้านเนี่ยเท่ากับเต็มคนเลยพัฒนาทั้งคน ถ้าเราถามว่าพัฒนาคนนี่เป็นยังไงก็แยกเป็นสี่ด้านทีนี้พอพัฒนาเสร็จคนนั้นก็จะเป็นคนที่พัฒนาแล้วนีนอ้อันนี้มาใช้สําหรับวัดผลอา้าวแล้วทำไมไม่แยกเป็นสี่ซะให้หมดเรื่องจะได้เป็นชุดเดียวไม่ต้องมาจำยากเป็นสองชุดชุดใจสิขษามีสามชุดภาวนามีสี่แม่ยุ่งจังเล ก็จัดเป็นชุดเดียวซะไม่ได้เละแยกละเอียดเป็นภาวนาสี่ซะอ้าวมีเหตุผลนะเออมีเหตุผลยังไงทําไมจึงจัดเป็นสิกขาสามทำไมจัดเป็นภาวนาสี่อันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวอย่างหนึ่งแต่เป็นความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์มากนะสําคัญถึงหลักเลยลองคิดดูสิครับจะตอบได้ไหมก็ว่า<อ>ก็ทําไมไม่จัดซะชุดเดียวจะได้ไม่ต้องจําลําบากแล้วแยกเป็นภาวนาสี่ซะก็หมดเรื่องพัฒนาคน ให้เต็มคนมันก็มีสี่ด้านใช่ยหมเออถ้าไมมาจัดเป็นสามอีกให้มีสองชุดให้ลำบากเปล่ า, า, านี่แหละครับอา้าวผมจะลองเฉลยดูนะฮะก็บอกแล้วนี่ครับชีวิตของเราเนี่ยมีสามด้านนี่เรากลับไปที่หลักการเดิมนะมีด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วสามด้านเนี่ยมันไปด้วยกันมันแยกขาดจากกันไม่ได้ใช่ไในเวลาทาพฤติกรรมหนึ่งเนี่ย มันก็ต้องมีความตั้งใจออกมาจากจิตใจมีสภาพจิตมีปัญญารู้แค่ไหนแต่ไอพฤติกรรมเนี่ยมันทำทีละพฤติกรรมนะใช่ไหมไม่ใช่ทำทีละสองพฤติกรรมใช่้หมทำพฤติกรรมอันใดอหนึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือเป็นวัตหรือเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมก็ทีละอันเดียวใช่ไหมอันใดอันหนึ่งแต่ในพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งนั้นมันมีจิตใจมีปัญญาด้วย เพราะฉะนั้นในการพัฒนาคนที่แท้เป็นการฝึกในตรศีรษะนี่มันต้องเอาตามเป็นจริงกระบวนการที่เป็นการฝึกฝนพัฒนาคนที่แท้นี่เป็นการประสานกัน3ด้านพฤติกรรมจิตใ จ, จและปัญญามันมีทีละ3าเท่า น, นั้นแหะมันไม่เป็น4ใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าด้านพฤติกรรมนั้นในขณะหนึ่งในครั้งหนึ่งมันอันใดอันหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นด้านวัตถุกายภาพหรือด้านสังคมก็อันใดอันหนึ่งถูกไหม เพราะนั้นพฤติกรรมเนี่ยมันอันดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมารวมในไตสิกขานี่มันเป็นตัวกระบวนการฝึกจริงๆนี่มันเป็นกระกวบวนการในเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นต้องว่าไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะนั้นมันก็มีสาเท่านั้นหนึ่งพฤติกรรมอันใดหนึ่งจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพใช่ปัจจัยสี่ก็อันใดหนึ่ง แต่ในขณะนั้นมันจะมีจิตมีปัญญาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งในการฝึกชีวิตจริงมีสามเท่านั้นถูกไหมอัะ น, นั้นจึงต้องรวมพฤติกรรมทั้งสองข้อมาไว้ในศีลข้อเดียวกันนะฮะเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะฮะอ้าวแล้วทำไมไปแยกสีทาไมล่ะก็าสามก็พอแล้วถูกไหมก็พฤติกรรมก็รวมอยู่ในพ้อพฤติกรรมทําไมไปแยกเป็นกายภาวนาศีแลแภาวนาอีกอา้าวก็มีหลักอีกแหละนะ มีหลักยังไงล่ะนะก็ตอนไปวัดผลไงเออตอนวัดผลนี่แยกให้ละเอียดยิ่งดีใช่ไหมข้อภาวนาสี่ท่านใช้สาหรับวัดผลสิกขาสามนี <Mae> ่ใช้ในกระบวนการฝึกนะเป็นตัวภาคปฏิบัติการใช้งานทําฝึกคนเนี่ย Roberts. ต้องเอาสิกขาสามเพราะมันเป็นกระบวนการพัฒนาเป็นระบบมันเป็นความสัมพันธ์กันไปนอันหนึ่งอันเดียวกันนะ่ะ แต่นี้พอวัดผลนี่มันแยกเลยนี่เพื่อสะดวกใช่ไหมจะได้ดูให้ชัดนะแยกเวลาวัดผลนี่ยิ่งแยกละเอียดยิ่งดีใช่ไหมนะแยกเป็นด้านเออดูซิพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นยังไงดูซิเขากินปัจจัย4บริโภคอาหารเขาใช้ปัญญาไหมหรือกินเพื่อเพียงเสพรสอร่อยใช้จีวรเป็นยังไงใช้ตาหูจมูกเล่นเป็นไงใช่ไหม นี่วัดผลต้องว่าไปเป็นส่วนๆแยกละเอียดยิ่งดีเลยเออเพราะฉะนั้นเวลาว่าเป็นภาวนาสีนี่ใช้ในการวัดผลวัดผลก็มาแยกเป็นหนึ่งพฤติกรรมในความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นไงในปัจกายภาวนาสองดูทิการพัฒนาพฤติกรรมในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นยังไงอดูศีลภาวนาเนี่ย สจิตภาวนาดูสิการพัฒนาจิตใจเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงความสุขเบิกบานผ่องใสเป็นยังไงจิตใจเศร้ามองคุณโมแค่ไหนต่อไป4ี่ปัญญาภาวนาดูสิพัฒนาปัญญ า, าเป็นยังไงรู้เข้าใจอะไรเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายเห็นตามเป็นจริงหรือว่าเห็นไปตามลำเอียงอคติความชอบความชังวินิจฉัยสิ่งต่างๆตามปัญญาแท้หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือถูกโลภโตัวสะโมหะหรือตัณหามาณทิตรีครอบงํานี่แหละครับ ตกลงว่าภาวนาสีนี่แยกละเอียดไว้ท่านมีเหตุผลเพื่อใช้ในการวัดผลเพราะฉะนั้นชุดภาวนาสี่มันจึงไปสัมพันธ์กับการวัดผลจริงๆถ้าคนไหนได้พัฒนากายท่านก็มีสัพ์ให้กลับจากกายภาวนาเป็นภาวิตกายน่อันนี้เป็นหลักภาษาบาลีอาจจะจำยากนิดหน่อยยากสำหรับผู้ไม่รู้ภาษาบาลีก็เอ๊ะอะไรกัน กายยภาวนาการพัฒนากายไปเป็นคนเป็นภาวิตากายไปว่าผู้มีกายอันพัฒนาแล้วนั้นหลักภาวนาสีนี้ท่านจะไปใช้เรียกคนนะดูที่ว่าเขาพัฒนาแล้วอย่างก็เป็นด้านๆไปพัฒนากายแล้วเรียกว่าภาวิตกายพัฒนาศีลแล้วเรียกว่าภาวิตศีลพัฒนาจิตแล้วเรียกว่าภาวิตจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาแล้วเรียกว่าภาวิตปัญญานะ ยพระพุทธเจ้า พ, พระรหลานทั้งหลายนี่ท่านจะเรียกว่าเอาเป็นผู้ที่พัฒนาตนแล้วเรียกตัวรวมๆเป็นภาวิตัตโตแปลวผู้พัฒนาตนแล้วหรือมีตนนั้นพัฒนาแล้วแล้วท่านก็ไขความบอว่ากล่าวคือเป็นภาวิตกายโยมีกายพัฒนาแล้วภาวิตตสีโลมีศีนั้นพัฒนาแล้วภาวิตววตจิตโตมีจิตใจพัฒนาแล้วภาวิตตปัญโยมีปัญญาพัฒนาแล้วเพราะพัฒนาครบสด้านนี่ ก็ไปอ่านว่าเป็นพระอรหันจบนะวัดผลได้สี่อันเนี่ยนะฮะถ้าครบสี่อันเป็นอเป็นพระอรหันแล้วดังนั้นบางทีเราไปวัดได้ตัดสังโยชนเท่านั้นข้อนี้แต่ว่านี่แหละครับท่านมีศับที่แสดงลักษณะผู้ที่เป็นพระอรหรันเป็นพระพุทธเจ้ า, ามีภาวนาสี่อย่างที่ว่านี้นะพัฒนาตนแล้ว ใช้สับรวมว่าาวิต ต, ต์โตผู้มีตนั้นพัฒนาแล้วกล่าวคือภาวิตต์กา ย, ยพัฒนากายแล้วภาวิตะ์สีโลพัฒนาสีแล้วภาวิตต์จิตโตพัฒนาจิตแล้วภาวิตตปัญโยพัฒนาปัญญาแล้วจบนะสิกขาสามใช้พัฒนาฝึกในกระบวการปฏิบัติแต่ว่าพอปฏิบัติ มาดูว่าพัฒนาสี่ด้านนะฮะวัดผลก็เป็นอันว่าได้ความนี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมจึงจัดเป็นสามในสิกขาแต่มาจัดเป็นสี่ในภาวนานะฮะเข้าใจชัดเจนพอหรือเปล่าพี่ในกรณีภาวิาาสังการภาวิสัสีมันแยกขาดจากกาเป็นข้นพอข้อได้นะมเพราะอย่างภาวิสังปัญญาก็ น, น่าจะมีทั้งสิ่ทั้งกายทั้ง อืมอันนี้ก็สำหรับตรวจสอบนะฮะหมายความว่าดูเป็นด้านๆไม่วัดผลนี่ครับการวัดผลนี่ไม่ต้องไปมันไม่ไม่คือหมายความวาเวลาเราวัดผลเราจะได้ดูแต่ละอย่างนะฮะมันเป็นการวิเคราะห์ออกไปเพื่อจะดูเพื่อตรวจสอบเราจะได้ตั้งเกณฑ์ได้นะนะเราก็ไปตั้งเกณฑ์เอาด้านกายนี่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสี่เนี่ยดูสิกินอาหารเป็นยังไงดูสิอะไรต่างๆ แล้วมันไปนโยงเองแหละไอ้โยงนั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วในหลักการพัฒนามต้องสัมพันธ์แน่ใช่ไหมฮะแต่นี้ในตอนนี้เราต้องการจะตรวจสอ บ, บัดผลเราต้องแยกออกไปเพื่อจะให้มีจุดที่จะดูมีเกณฑ์ที่จะวัดใช่ไหมฮะดังนั้นในกระบวนการปฏิบัติที่มันจะเกิดผลเป็นอย่างนี้แต่ละด้านแน่นอนทั้งสาด้านแหละมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ นะทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่มันออกผลมาอย่างนี้ออกผลหมายเห็นว่าด้านนี้สมบูรณ์อย่างด้านนี้สมบูรณ์อย่างด้านนี้สมบูรณ์อย่างแล้วก็ด้านโน้นสมบูรณ์อย่างนะาา ก, กรี<ะ>าาว น, นั่กกกนก็ยักเยืองไปได้อันนั้นแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใช้ในเวลาอื่นในกรณีอย่างอื่นถ้ามาในชุดนี้ก็เรียกให้มันตรงไปเลย กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนานะแต่อย่างที่ว่าปกติท่านใช้ในทางวัดผลเพราะฉะนั้นฉันจะไปวัดดูคุณสมบัติของคนมันจะมาในรูปของภาวิตากายโยภาวิตาสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตาปัญโยนะเพราะไปดูที่คนถ้าไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ตัวคุยกับมรดกบอกเรื่องจริง บอกว่ามีญาติโยมมีฐานะดีเคยจะทำบุญทำมรุกมาในวัดแห่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอ่อ้าในวัดนะครับถ้าบางทีอยไรต้องกอารรถตู้หรืออะไรมาคู่ในลักษณะพระเหรอก็จะโทรมาที่บ้านญาติโยมแล้วคู่ในลักษณะลักษณะ อ๋อไปบมีคราะหอะไรอ๋อไปบอกเขามีคราะเอาไงต่อละอ่ะก็เียนาก็ซื้อถวายให้อเอาโนนันี่ก็ซื้อถวายงหลังไม่มาเมือ่อคราทีแล้ที่เจ อ, อบอกว่าขอจะให้ช่วยซื้อที่ดเถซื้อที่ดนนงนัเกแมากก็าเาก็บอกต้องเป็นร้าน ควาาามศึกษาขึม็ว่าอย่างนี้เนี่ยมันเมือนจะาจะพูดทั่วไปหมือนกโชคแบบนี้มีธมตไหนมก็อเนสนาชัดอยู่มิจฉาชีพของพระไม่ได้มีนั่งขอสงสัยสักนิดเดียวมิจฉาชีพชัดๆก็ก็นี่แหละเรียกว่ามิจฉาชีพบอกว่าแบบนี้อย่างนี้เรียกพูดภาษาทั่วไปมหมือนการโชค ก็การโชคก็เป็นลักษณะหนึ่งเขางม่ฉาชีอยู่ในเนี้ยอยู่ในอเนสนาอเนสนามีหลายอย่างเหมือนจะเอานลกสวรรค์มาฟูก็อะไรพวกนี้ก็ต้องว่ากลับไปโยมนี่แหละถ้ารู้หลักก็บอกเอ๊ะท่านจะตกนรกแล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมอเอ๊ะผมสงสารท่านน มีเมตตาการุณาต่อท่านแล้วผมเนี่ยจะไปสวรรค์นแน่แหละเพราะว่าผมมีกรุณาใช่ไหมแต่ท่านนี่จะจะไปนรกแน่เลยนะแต่อย่างว่าชาวบ้านไม่รู้หลักก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็นีเน่เป็นทางที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะพระไม่น้อยเหมือนกันที่จะมีแบบนี้นะฮะ ออตัออก็หลังแอะไรก็วาให้หลังเาให้ขยายบมดุีที่เราารมาขี่ือาเป็นนนถ้าออกสวรรค์รอนี่เป็นนนก็เหมือนกันถ้าพงมุงลาเพื่อตนเองแน่นอนไม่ต้องสงสัย แต่พูดเรื่องสวรรค์นี่เพื่อประโยชน์กับเขาเองในการสั่งสอนไม่เป็นไรใช่ไหมฮหรือพูดนรกก็เหมือนกันแหละก็บอกคุณทํางี้คุณจะประสบผลไร้ไปนรกเลยอันนั้นเป็นเพื่อประโยชน์เขาเองนี่เราไม่ได้มุ่งไปหาเงินหาทองอะไรจากเขานี่ใช่ไหมฮะสวรรค์มารอดให้ก็บริจาคเขาบริจาคแก่ไดขึ้นสวรนั่อก็เนี่ต้องระวังเลยครับต้องระวังให้ดีอ่ะนี่โดยมากก็ไปมองกันว่าเออมันไม่ใช่เพื่อหาลาภให้แต่ตนเอง มันเป็นเรื่องการบริจาคในศาสนาใช่ไหมแต่ก็ต้องระวังอ่ะถ้าว่าที่จริงมันต้องว่าไปตามเหตุตามผลแต่ว่ามันมันมีหลักการให้อยู่ว่าพูดถึงเมื่อท่านทําดีนะี่ได้บริจาคมันก็ทําให้ได้รับผลดีในบรรดาผลดีทั้งหลายนั่นก็มีอันหนึ่งก็คือได้ไปสวรรค์ใช่ไหมแต่นั้นก็พูดไปตามเหตุตามผลตามหลักอ่ะแลนั้นก็ บางทีมันก็เสี่ยงๆอยู่ครก่อกกำกึ่งๆอยู่ที่เรียกว่าระหวังจะล้ำเส้นต้องพูดให้อยู่ในหลักการแล้วไม่มุ่งเพื่อประโยชน์กับตนเอามั่งนะฮะ